วันนี้เป็นวันอุโบสถของพวกเราเป็นวันแรมส5บห้าคำเดือนสองพวกเราฟังพระปฏิโมกจบลงสักครู่นี้ในวันอุโบสถท่านจะให้พูดเกี่ยวกับวินัยนหรือศีลที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าว่าพวกเราห่างเหินไม่พูดถึง วินัยสินวินัยทรรมวินัยก็จะห่างเหินไปเรื่อยๆเพราะนั้นวันเช่นนี้ควรจะปารบเกี่ยวกับวินัยถ้าจะว่าไปแล้ววินัยคือหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ร, รมและวินัยยังมีอยู่ตราบใด ศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นแสดงว่าพระธรรมวินัยต้องเป็นหลักยืนแล้วก็ท่านตรัสอีกว่าเมื่อเราผ่านไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแลจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายคือเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ทำวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์ พวกเรายึดพระธรรมวินัยแทนพระพุธทธเจา้าแต่เมื่อกี้เนี่ยพวกเราก็ได้ฟังพระปฏิโมกจบลงเป็นการทบทวนเรื่องศีลของพระสองร้อยยีสิบเจ็ดิกขาบทแต่ถึงพวกเราฟังไม่รู้เพราะเป็นภาษาบาลีแต่พวกเราก็มีที่ ที่จะศึกษาให้รู้ได้เพราะปฏิโมกมีทั้งอัดทั้งมีทั้งแปลจากนั้นก็มีหนังสือนวโกวาทวินัยมุกเล่มหนึ่งอธิบายเรื่องเกี่ยวกับศีลของพวกเราอยู่แล้วพนังขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่องศีลและวินยัยไม่ควรจะมองข้ามควรจะศึกษาให้เข้าใจถ้ามีโอกาสเขาพยายาม อ่านพยายามศึกษาอยู่เรื่อยๆ เ, เหมือนกับกฎหมายกฎหมายบ้านเมืองเราจะอ่านทีเดียวแล้วจบไม่ใช่เราต้องพยายามท่องให้จดจํามาตราที่นนเท่านั้นทวิที่เท่านี้เป็นความผิดอย่างนั้นปรับโทษอย่างนี้กฎหมายหลักเป็นอย่างนี้กฎหมายลูกเป็นอย่างนั้นในศีลแลวินัยของพวกเราก็เช่นเดียวกันอย่างอาบัต แต่ละชิกคคาบทเนี่ยคือเป็นเป็นแม่บทแล้วก็มีลูกอีกถ้าทำไปแล้วถึงจะไม่ปรับเป็นอาบัตอย่างแม่แต่ก็มีลูกเป็นอาบัตปาจิตตีบั่งทุกกดบั่งจะเป็นทุกกฏนมากกว่าเพราะนั้นเราต้องศึกษาระวินัยน่ยเราต้องศึกษาเราต้องอ่าน แล้วก็ให้เข้าใจแต่ถ้าศึก้าบทมีความหมายอย่างไรไม่ใช่ว่าเรามาอยู่แล้วก็อาศัยแต่เห็นครูบาอาจารย์หรือเห็นหมู่พวกเพื่อนพาประพฤติปฏิบัติตัวเองไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาไม่ได้สนใจในวินยัยมันไม่แน่นนะถึงจะพูดไปก็ไม่กล้าที่จะพูดผิดหรือถูก เพราะเหตุใดเพราะตัวเองไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาในพระวินยัยในหลักพระธรรมวินยัยเพราะฉนั้นเราต้องอ่านต้องศึกษาถ้าเรา ไ, ได้อ่านได้ศึกษาเข้าใจแล้วเรากล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นเพราะเหตุใดเพราะเราผ่านสายตาแล้วแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องพระภินยัยครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้นํามาบอกกล่าวบ่อย เพราะเหตุไรเพราะทุกองก็อ่านหนังสือออกอยู่แล้วเมื่ออ่านหนังสือออกก็ต้องอ่านดูถ้าตัวเองขี้เกียจขี้เกียจศึกษาขี้เกียจอ่านก็ไม่รู้จะทํำยังไงอีกเหมือนกันเพราะเป็นหน้าที่ของตนเองแท้ๆเพราะเป็นพลาดเราก็ไม่ได้ทําไร่ทํานาทํททร า, ารั้วทําสวนทําราชการงานเมืองก็แต่ละวันทําอะไรก็ศึกษา ศีลและวินัยของตนเองจากนั้นศึกษาธรรมเบื้องต้นคือรักษาศีลศึกษาเรื่องศีลศีลก็คือวินัยคือกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันจากนั้นก็ให้ศึกษาเรื่องธรรมคําสั่งสอนที่ท่านแนะนําสมาธิธรรมปัญญาธรรมตามขั้นตอนนี่คือหน้าที่ของพวกเราพวกเราไม่ได้ให้ศึกษาวิชาทางโลก เรื่องต่างๆไม่ใช่พอเราก็มาบวชเป็นพระยิ่งเป็นพระกรรมฐานสีดส่ดอยซ้ําให้ศึกษาเรื่องวินยัยกฎและเบียบที่พวกเราอยู่ด้วยกันทํำยังไงศีลวินยัยกฎระเบียบอันเดียวกันถ้าจะเปรียบเทียบกับกฎหมายบ้านเมืองก็นี่แหละ ค, คือการอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะก็ต้องมีกฎระเบียบวางแผนเอาไว ให้พวกเราศึกษาพวกเราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติวิไนแต่ละสิกขาบทนั้นมีจุดประสงค์อะไรเพื่ออะไรมีความหมายว่ายังไงเป็นหมายอย่างไรแต่ละสิกขาบทเพราะฉะนั้นพวกเราให้ศึกษานะให้อ่านเรื่องพระวินัยให้อ่านให้ศึกษาเพื่อเราจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าเราก็สามารถที่จะพูดได้ แสดงความคิดเห็นได้พอเราได้อ่านได้ศึกษาแล้วนะถ้าว่าพวกเรามีแต่คอยครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างเดียวเหมือนกับพระโบราณอย่างนั้นอ่านหนังสือไม่ออกคอยจะให้ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนมันก็บางทีท่านก็คิดไม่ถึงก็ว่าพวกท่านทั้งหลายรู้แล้วนะทำยังไงผลที่สุดก็เลยเป็นพระใหญ่ขึ้นมาก็ ยิ่งพอใหญ่ขึ้นมาทิฏฐิมณนะมันก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะความไม่สนใจหรือว่าใครที่จะพูดให้แนะนำสั่งสอนก็ไม่ชักจะฟังอีกเพราะนั้นให้พวกเราทุกทุกองนาะให้ศึกษาเรื่องวินยัยเป็นอันว่าเรื่องหลักพระธรรมวินยัยเป็นจุดยืนเป็นหลักที่พวกเราได้ยึดถืออยู่ทุกวันนี้ทำก็คืออะไร ทำคือความถูกต้องวินัยคือกฎระเบียบถ้าพวกเราทําไม่ถูกต้องถ้าผิดทำซะก่อนแล้วก็ผิดวินยัยศิลธรรมวินยัยทำละเอียดกว่าวินยัยวิัยก็คือศิลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิลส่วนธรรมนั้นรักษาใจใจคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้อง คิดไปในทางที่ไม่เป็นธรรมคิดออกไปนอกลู่นอกทางคิดไปทางโลภโกรธหลงคิดพยาบาทอาฆาตหมาดลายจองเวีนคนอื่นอันนั้นแปลว่าถ้าคิดออกไปอย่างนั้นแปลว่าผิดธรรมสรุปแล้วคือคือธรรมนี่ละเอียดกว่าวิไนแต่ถ้าหากว่าคิดอยู่ในใจผิดธรรมแต่ยังไม่ผิดวิไนยังไม่จัดเข้าว่าผิดวิไหรือผิดศีล เพียงแต่ว่าผิดธรรมคือแนวความคิดเป็นมิจฉาทิฐิในแนวความคิดแต่ถ้าว่าแสดงออกมาทางกายกระทําออกมาทางกายผิดวินัยละ่ะพูดออกมาทางวาจาก็ผิดวินัยคือวินัยมันหยาบวินัยหยาบกว่าธรรมสรุปแล้วเป็นนั้นว่าศีลและวินัย คุ้มครองกายกับวาจาส่วนธรรมนั้นคุ้มครองใจธรรมะคือความถูกต้องหลักเหตุผลนั้นคุ้มครองใจถ้าจะจ่นย่อแล้วว่าพูดให้ชัดเจนลงไปคือว่าสมาธินั่นแหละเป็นเครื่องคุ้มครองใจปัญญาคือรอบรู้ในกองสังขารคือคุ้มครองใจผู้ที่จะมีสินสมบูรณ์ได้ก็ต้องใช้ปัญญา ไตรตรองเหตุและผลในการกระทำและการพูดของตนเองถ้าว่าพูดไม่สัมปยุต ด, ด้วยปัญญาการกระทำไม่สัมปยุต ด, ด้วยปัญญาก็เป็นอันว่าศีลของคนนั้นยังไม่สมบูรณ์ปัญญาคือไม่ใช่สัมมาปัญญาอีกเหมือนกันคือว่าปัญญาตนนัวนี้ปัญญาสัมปยุต ด, ด้วยความถูกต้องความเป็นธรรมไม่ใช่มิจฉา เป็นสัมมาหรืว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจากขัมมตโตอชววาชโววายโมสติส ม, มาธิฏิว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบจัดว่าเป็นหมวดปัญญาปัญญาเห็นชอบปัญญาไข่ครวนตราตรองเหตุและผลในการกระทรําและการพูดของตนเองอันนี้แปลว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิ แต่ปัญญามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความเห็นผิดกับความเห็นถูกมันอยู่ใกล้เคียงกันมากแต่บางครั้งสัมมาทิฏฐิจุดนี้เรือว่าพิชชาทิฏฐิจุดนี้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการศึกษาแต่บางครั้งตัวเองก็จุดตรงไปข้างใดข้างหนึ่งคล้ายๆกับว่าไม่เชื่อมีผู้แนะนำ ออกนอกลู้นอกทางถ้าจะว่าไปก็คือเราเป็นผู้มีสันดอนันดานเลี้ยวแนวความคิดวิปริตแปลกแตกต่างเข้ามาแล้วก็มีผู้แนะนำไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เลยถลําไปกับเขาอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเราเคยเห็นได้ยินแต่บางครั้ง บอกว่าพระพุทธรูปหรืออะไรว่าเป็นก้อนหินก้อนปูนก้อนทรายเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ก็เห็นถลําไปตามเขาด้วยเพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองขาดแนวความคิดมองไปในทางด้านในด้านหนึ่งสุดโต่งไปเหต่ใดตามไม่จริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นวัตถุทั้งหมดแต่ส่วนานามธรรมานั้นเรามองไม่เห็นคุณภาพคุณธรรม อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ไม่เห็นเป็นตัวตนออกมาแต่เราก็ระลึกถึงว่าพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรมีแต่ยกย่องเชิดชูบูชากันพระพุทธเจ้านท่านหมดจดจากกิเลสท่านหมดจดยังไงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าไม่เขียนใส่กระดาษถ้าเขียนใส่กระดาษเ็ยว่าเป็นธรรมเท่านั้นคำว่าธรรมจริงๆนั้นคืออะไรมันก็เป็นนามรธรรมอีกเหมือนกัน คุณของพระอริยสงฆ์สาวกก็เหมือนกันล้วนแล้วจะเป็นนามธรรมแต่พวกเราเคารพนับถือเพราะมีเหตุผลเพราะพวกเราเดินเดินตามนามธรรมนั้นพระหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาท่านไปศึกษาค้นคว้าไม่ใช่รูปธรรมท่านไปศึกษาค้นคว้าในนามธรรมนามธรรมคือแนวความคิด ที่พระพุทธเจ้าเปนั่งอยู่โคนต้นโพที่ได้ตัดสรู้ธรรมในวันเดือนหกเพนท่านไปค้นคว้าเรื่องนา ม, มาธรรมของพระองค์เองจนพระองค์ได้ตัดสรู้ธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในความรู้ของคนเราก็เหมือนกันความรู้ของเราไม่มีใครที่จะวัดได้นอกจากเขียนเป็นตัวนักสือออกมาแล้วก็มาสอบแข่งกั น, นจนึงจะรู้ได้ว่าคนนี้มีความรู้มีความเข้าใจ ในเรื่องกฎหมายในเรื่องต่างๆที่เขาได้เรียนได้ศึกษามีคะแนนนำหน้าตามลำดับเพราะเหตุใดเพราะผู้รู้กว่าเป็นผู้สอบผู้รู้นะคือผ่านมาแล้วรู้แล้วว่าเป็นยังไงจากนั้นก็จัดเข้ามาสอบถ้าอยู่ในใจธรรมดาก็ไม่รู้แต่ถ้าว่าเขียนเปิดตัวหนังสือออกมาหรือแสดงออกมาทางวาจาก็พอจะรู้ได้ว่าคนนี้ เขามีความเข้าใจเขามีความรู้อย่างนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือนามธรรมถ้าเขียนออกมากเกิดเป็นรูปธรรมคือตัวหนังสือออกมาให้รู้แต่ตามไม่จริงความรู้นั้นเป็นนามธรรมอยู่ในจิตใจหรืออยู่ในสมองของแต่ละคนแต่ละท่านเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้เข้าใจคือเข้าใจในเรื่องนามธรรมไม่ใช่ให้เข้าใจเรื่องรูปธรรมรูปธรรมคือ รูปร่างกลางตัวของพวกเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นขี่ไล่ขี่เลหูหนวกตาบอดบ้าใบเสียแข้งเสียขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคือรูรปรา่างรูปธรรมส่วนนามธรรมานั้นถึงท่านจะตาบอดแต่ท่านก็เป็นพระอรหันต์ถึงจะท่านจุกหูหนวกท่านก็เป็นพระอรหันต์อย่างนี้ก็มีมากต่อมากเพราะว่าหูหนวกตาบอดไม่ได้อยู่กับหูหนวกตาบอดถึงจุกหูดีตาดี อรูปร่างกลางตัวเร็ดสวยงดงามแต่เต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะก็มีมากต่อมากเพราะนั้นธรรมนามธรรมจุดนี้ไม่ได้เลือกว่าไวัยไหนบุคลิอย่างไงถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมรู้แจ้งเห็นจริงแล้วทมอยู่ที่หัวใจของผู้นั้นถ้าจะว่าสมองก็อยู่ในสมองของคนนั้นเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงได้บรรลุธรรม เพราะนั้นทำคือนามธรรมอยู่ในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าผูดด้ใดผู้ใดรู้แจ้งเห็นจริงชําระกายวายใจาใจชําระใจของตนเองแล้วผู้นั้นเป็นพระอริยบุคคลได้ทุกคนถ้าทำถึงทำได้ทำถูกต้องตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำแล้วก็พวกเราก็ปฏิบัติจริงจังไม่ใช่ว่าท่านพูดให้ฟังอย่างนั้นเราก็คิดว่าเรารู้แล้ว นความรู้ของเราอย่างนี้เป็นความรู้ที่ว่าเป็นความรู้เอาความรู้ของท่านมาเป็นความรู้ของตนเองแต่เป็นความรู้จริงๆของตนเองนะมันอีกส่วนหนึ่งเออมันเป็นส่วนลึกของหัวใจรู้แจ้งเห็นจริงจนไม่มีวันเสื่อมคลายไม่มีวันถอยหลังเชื่อจริงๆเชื่อด้วยความเชื่อมั่นจริงๆอันนั้นแหะคือทำตัดกิเลสได้ไม่ใช่ว่าเรารู้เออ เราเห็นว่าอสุพะร่างกายเป็นอรุพะจิงชายเป็นอรุพะแต่อีกวันหนึ่งเรากคคิดว่าเราตัดกิเลสตัวอรุพะได้แล้วแต่อีกสักวันหนึ่งวันดีคืนดีมันก็โผล่ขึ้นมาขึ้นมาเป็นสุภาขึ้นมาในจิตใจอีกอันนั้นแปลว่ามันตัดไม่ขาดอันนี้ให้สังเกตดูจุดนี้รวยมากเป็นลักษณะนั้นที่แรกเราว่าผัตัดขาดด้เด็ขาดในจิตใจ แต่ตามไม่จริงมันเป็นเพียงสีลาทับยาทานเองมันสีลาทับ้ามันทับได้ในระดับหนึ่งแต่อีกวันหนึ่งวันดีคืนดีขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาอีกยาตัว น, นั้นงอกเงยยิ่งงาม ข, ขึ้นกว่าเก่าอีกยิ่งปรุงแต่งให้เสร็จสวยงดงามจนรั้งไม่อยู่อย่างนี้ก็มีมากต่อมากเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราจะต้องดูคาว่าขุดค้นขุด ถอนลากถอนโคนของกิเลสมันขอนถอนอยู่ที่ใจให้รู้แจ้งเห็นจริงอยู่ที่ใจนึกขึ้นเวลาไหนเ อ, อแม้แต่นิดเดียวแม้แต่นึกขึ้นมาหรือยังไม่ได้นึกก็าตามเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะปฏิกูลเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟเป็นสิ่งที่มีพึงปรารถนาทั้งหมด อ, อจิตใจของท่านจะตัน ด, าด่า ไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการหวั่นไหวไกวแกว้งรู้แจ้งเห็นจริงสภาพนอกสภาพในถึงจะหลับตื่นอยู่นสถานที่ใดก็าตามสเสมอต้นสเสมอปลายใจของท่านเนี่ยแหละโดยใจสแตนดาร์ดเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคือศึกษาในจุดนี้คือคือศึกษาเรื่องนมามธรรมที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติแต่ถึงยังไงก็เป็นจะเอาแต่นมามธรรม อย่างเดียวก็ม่ได้ไม่ต้องเป็นรูปธปรรมคือศินอย่างที่ผมผมได้กล่าวเบื้องตน้นสินที่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเราจะมองข้ามไม่ได้ศินและวินัยยังมีอยู่ตราบใดาศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นศินและวินัยนั่นแหละจะเป็นาศาสดาแทนเราตรถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วนี่แหละเรื่องศินเราจะมองข้ามไม่ได้ต้องยึดเรื่องศินเป็นหลักในเมื่อศินแล้วก็ยึดเข้ามาหา เรื่องศีลก็คือรูปธรรมส่วนนามธรรมนั่นคือทำในจิตใจของเราให้พวกเราพยายามตรวจตราพยายามพยายามิจารณาไขควรทบทวนให้มั่นคงให้แน่วแน่แล้วก็ให้จริงจังให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วยสติด้วยปัญญาของพวกเราปัญญาเท่านั้นหละที่จะคุ้ยเขี่ยขุดค้นดูจิตใจของเราได้แต่ต้องมีสำประยุทธ์ด้วยสติเหมือนกันนะ สมาธิดีสติดีสมาธิดีเราจะเห็นได้ชัดในจิตใจของเราเราคิดเรื่องอะไรมันปุ่มฟุ้งซ่านเรื่องไหนเรารู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างนั้นหรือไม่ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราถ้าเราใช้สมาธิใช้ปัญญาทบทวนไตรตรองขุดค้น คุยเยคียร์ขูดค้นถอดถอนในจิตในใจของเราจากนั้นก็นั่นแหะเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ผมเลยพูดว่าเห็นเป็นธาตุสีดินน้ํามลมไฟอัจุภะปฏิโกณเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นตามความเป็นจริงจริงจกิเลส ต, ตัวไหนมันจะขึ้นมาได้อีกเพราะจิตใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วมีแต่นิพิทา คือความเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นจากนั้นก็ปล่อยวางไม่ปล่อยวางที่ไหนปล่อยวางที่ใจใจนั่นแลจะเป็นผู้ดุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะนั้นให้พวกเราจริงจังนะการบวชของพวกเราจะให้เปล่าประโยชน์พยายามทำความภาคความเพียรแต่ละวีแต่ละวันแต่ละเวลาชั้นจังหันเสร็จแล้วกว็ต่างองค์ต่างหาสงบที่ส ง, งบเงียบเ้า ช่วยกันในช่วงไหนที่จะทำงานช่วยกันก็เอา้ามาทำเป็นเวลาเวลาพอทำเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างหลบต่างหลีกต่างเล้นหาที่ภาวนาของใครของเราที่วัดของเราเนี่ยรู้สึกว่าสับ ป, ปะยะอย่างมากที่ผมเห็นแล้วเราจะหลบปลีกปลีกตัวที่ไหนกุฏิหลังเล็กๆไปหาหลบภาวนาไปหาหลบ เ, เดินยองกลมผมเดินมาทั้งวันเดินมาตั้งแต่ที่พัก สถานีวิทยุเดินมารู้สึกมันสงบเงียบสงบจริงๆวิเวกจริงๆถ้าว่าพวกเราต้องการความสงบวิเวกนะเว้นเสียแต่ตัวเองต้องการความวิบุญมันก็ช่วยไม่ได้สิ่งไหนที่จะเอาเรื่องอะไรเข้ามามาเสริมเข้าไปมาฟังเข้าไปมาติดต่อเข้าไปมันไม่จะเรื่องกิเลสเห็นจิตในใจ มันจะมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายแล้วจากนั้นจะมาบ่นว่าจิตไม่สงบจิตปุงฟุง้งซ่านจิตหากฎเกณฑ์ไม่ได้และจะไปตำหนิใครถ้าไม่ตำหนิตนเองให้พวกเราดูตนเองนะไม่มีสิ่งไหนที่จะทำให้ตัวเองดีได้นอกจากตนของตนเองเท่านั้นที่จะทำให้เร็วก็ทำตัวเองให้เร็วถ้าจะทำไม่ดีก็คือตัวเองทำไม่ดีถ้าจะทาให้หลุดพ้นก็คือตัวเองนั่นะจะทาให้หลุดพ้นจากอาสวัิเลส ถ้าจะทําให้เป็นโมฆะพิษุตกนรกหมกไหมเป็นอราอราัจงอารัจฉีก็อยู่ในตัวเองทั้งนั้นเพราะนั้นอย่าไปตําหนิที่อื่นให้ดูที่ตัวเองให้ดูที่ใจของตนเองจะดีหรือจะเลวอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวของท่านเองเพราะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วเราก็ได้มาศึกษาแล้วเราก็ได้ศึกษาธรรมปิณัยอยู่แล้วได้ศึกษาพราะธรรมคําสั่งสอนของพระแม่ครูบาอาจารย์อยู่แล้วผมก็แนะนําสั่งสอน ตรอดไปล่ําเวลาอยู่แล้วทั้งเทปทั้งหนังสือทั้งเอ็พีสามอะไรบริบูรณ์ในห้องสมุดจะศึกษาก็มีอยู่แล้วเรารู้แล้วว่าสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนดีสิ่งไหนเร็วเราจะเอาอยัางไงเท่านเองมันอยู่กับตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเท่านั้นแนหะเราจะดีหรือเราจะเร็วไม่อยู่ในที่อื่นถ้าเราจะเร็วไปอยู่ในโลกพระทิศพระจันทร์ที่ไหนประเทศไหน อยู่ภูผาปา่าไม้ไหนมันเลวได้ทั้งนั้นถ้าว่าเราจะเป็นคนดีอยู่ยังไงมันก็ดีแต่ก็ต้องอย่างที่วัดวาศาสนาที่สัปปายะอย่างนี้เหมาะสมแต่ว่าเราที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเราไปอยู่ที่ไหนก็ทําได้แต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นคือตามตามไม่เจียมก็ต้องหาที่สัปปายะถ้าที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายมันก็ไม่สัปปายะอีกเหมือนกันถ้าว่าเรา ไปอยู่ในที่วุ่นวายแต่ใจของเราสงบหมดจดกิเลสเห็นอธิจังทุกขังอนัตตาอันนั้นก็ไม่ว่ากัน อ, อาจจะเห็นได้อาจจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้แต่ว่ามันยากาพูดอย่างนั้นได้มันยากแต่พูดได้แต่พูดมันพูดได้พูดประชดประชันได้แต่ว่าที่จะเอาจริงเ อ, อจาจังนั้นไม่ใช่ของง่ายๆธรรมะไม่ใช่จะเกิดอยู่ในสถานที่อย่างนั้น ธรรมะมันจะต้องเกิดในสถานที่สงบสงัดสถานที่หลีกปีกตัวสถานที่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายเป็นที่สงบสงัดธรรมะจะเกิดอย่างนั้นธรรมะจะไม่เกิดในที่พุกพ่านพุ่นวายเกิดก็เกิดได้แต่บางครั้งพอเห็นอันในจางทุกขังอัในตาเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายนั่นก็เกิดได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในเวียงในวงัง ท่านเห็นเสียงรอบด้านรอบข้างของท่านเป็นป่าช้าพิดิบอย่างพยศะอย่างนี้ที่นี่ปุ้นวายเนาะที่นี่ขัดข้องนั้นเกิดธรรมขึ้นมาในจิตใจแล้วจากนั้นท่านก็เดินไปหามุ ม, มสงบของท่านปลีกหลีกปลีกตัวของท่านจากนั้นก็ท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลก็ออกมาจากจุดปุ่นวายแต่ถ้าว่าพวกเราไปอยู่ออกจากที่สงบสงัดแล้วไปอยู่ในที่ปุ่นวายจะเห็นธรรมนั้นเออ ไม่มีตำราเล่มไหนที่จะบอกอย่างนั้นมีแต่ไปเห็นจุดนั้นแล้วก็หนีออกมาอยู่ในป่าโดงโป่งไปชำระจิตชำระใจของตอนเองจริงจะได้เกิดความเบื่อหน่ายเพราะเห็นที่ผ่านผ่านมาที่เจอมานั้นมันมีแต่เรื่องทุกอนจังทุกขังอนาตตาอสุภะปฏิกูลท่านสี่ดินน้าลมไฟเราจะไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรกับสิ่งเหล่านั้นพอเห็นเหล่านั้นออกมา ให้ควรทบทวนแล้วับบอกใจตัวเองสอนใจตัวเองทํำความเข้าใจกับใจของตนเองจากนั้นใจของเราก็รู้แจง้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจปล่อยวางที่ใจธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ศึกษาไม่อยู่ที่ไหนสรุปแล้วอยู่ที่ใจของพวกเราทั้งทั้งหลายวันนี้เป็นวันอุโบสถนะหลังพระปฏิโมกผมได้พูดเกี่ยวกับวินยัย ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ใส่ใจในวิทย์ในวิัยอย่ามองข้ามผู้ที่จะสวดพระปฏิโมกหรืจะเรียนพระปฏิโมกก็ตั้งใจเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระน้อยพระหนุม่มให้ควรใส่ใจในเรื่องพระปฏิโมกจากนั้นก็ให้ศึกษาเรื่องพระวิทย์ใอย่ามองข้ามอย่าดูได้อย่างผมเหมือนกันถึงขนาดนี้บางทีผมก็หยิบขึ้นมาอ่านทบทวนว่าอยู่เสมอวิัยก็เหมือนกับกฎหมายเราจะปล่อย ปลาละเลยมันก็ลืมหลงลืมได้ชิคาบทนั่นมาตราที่เท่านั้นเท่านี้ทวิเท่านั้นเท่านี้นนนนนปีกย่อยของพระวินยัยปีกย่อยของหลักพระธรรมวินัยมีเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาต้องตรวจตราดูอยู่เรื่อ ย, อยๆคล้ายๆกับขัดสีอยู่เรื่อยๆขัดให้เงาอยู่เรื่อยๆสิทลิวินยัยจึงจะเป็นผู้มี สานลราสีในหลักธรรมวินัยเป็นพระภิกษุสงฆ์เราเป็นพระเป็นผู้ทรงศีลในหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นพวกเราอย่ามองข้ามนะอที่พูดทางนี้ทั้นอย่ามองข้ามหลักพระธรรมวินัยให้ศึกษาให้ตรวจตราให้ค้นขว้าให้ศึกษาพยายามอ่านให้เขาเข้าใจเรื่องพระวินัยต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ได้อ่านได้ศึกษาแล้วทํา พระน้อยพระหนุ่มถามเราเราก็พร้อมที่จะอธิบายอะไรให้ฟังได้หรืออยากน้อยเราก็ได้จับตําราที่เราได้ผ่านแล้วมาอ่านให้เขาฟังอีกทีคขาบทนี้เป็นอย่างนี้ทําไม่ในข้อ น, นี้เป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นสิริเป็นมงคลในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยทําอะไรก็เฉยไม่ได้สนใจคนนั้นก็ทําผิดองนี้ก็ทําไม่ถูกนุณ้สู่ก็เลยพระในวัดในวาก็เลยขาด ไม่มีสิทธิ์ไม่มีวินัยเข้ามาแล้วพวกเราจะทำยังไงศาสนาจะเจริญได้ยังไงจะยืดยาวไปได้ยังไงฟังนะสิพระบารีที่ผมยกขึ้นเบื้องตน้นว่าอย่างไงท่านเราเหยียบย่ำหลักพระธรรมวินัยแล้วจะเป็นยังไงทางว่าพวกเราไม่มีธรรมวินยัยศาสนาก็หมดหมดที่หัวใจของเราะก่อนเพื่อนเพราะเราไม่มีธรรมวินยัยอยู่ในจิตในใจเพราะนันท้าว่าพวกเรามีธรรมวินัยอยู่แล้ว ศาสนาของพระพุทธเจ้าดูณสถานที่ใดไม่ว่าจะอยู่ในประเทศอินเดียนหนอยู่ในขั้วโลกไหนํนารินไปหนพระพุทธศาสนาก็อยู่ในหัวใจของพวกเราท่านทั้งหลายนะวันนี้ผมขอพูดแนวให้แก่หมูพวกพนในฟังได้ศึกษาก็ขอจบในการพูดเพียงเท่านี้ต่อใ น, อ น, นไปสุดท้ายพระปฏิโมก